ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นข้อที่สามกรรมชำระล้างได้อย่างไรมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนิธรรกรรมไว้อย่างไรอย่างไรเขายอมได้สวยกรรมนั้นอย่างนั้นนั้นเมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้การครองชีตประเสริฐคือพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ คือไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอันมองไม่เห็นช่องทางที่จะทำความสิ้นทุกข์ให้สาเร็จได้เลยแต่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทากรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างไรอย่างไรเขายอมได้สวยวิบากของกรรมนั้นอย่างนั้นนั้นเมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้การกรองชีวิตประเสริฐคือพรมจรรย์จึงมีได้คือสาเร็จประโยชน์ เป็นอันเห็นช่องทางที่จะทำความสิ้นทุกข์ให้สาเร็จได้ภิกษุทั้งหลายสำหรับบางคนกรรมชั่วที่ทำไว้เพียงเล็กน้อยก็นำเขาไปในรกได้แต่สำหรับบางคนกรรมชั่วที่ทำไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละให้ผ้นแค่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้น คนประเภทไหนการชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อยก็นําเข้าไปในรกได้เปล่าคือคนบางคนไม่ได้เจริญกายไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาใจจ้อยด้อยคุณดังเป็นคนตัวเล็กๆมีปรากฏอยู่เป็นทุกข์กับเรื่องนิดๆหน่อยๆบุคคลประเภทนี้การชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อยก็นําเข้าไปในรกได้ ในวงเล็บเหมือนใส่ก้อนเกลือในขันน้ำน้อยคนประเภทไหนการชั่วที่ทาไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละให้ผลแค่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นเปล่าคือคนบางคนได้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาผู้มีช่เล็กน้อย เป็นมหาตมะมีธรรมะที่ใจอยู่อันประมาณไม่ได้สำหรับบุคคลประเภทนี้การชั่วที่ทำไว้เล็กน้อยเช่นเดียวกันนั่นหละให้ผลแค่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นในวงเล็บเหมือนใส่ก้อนเกลือในแม่น้ำข้อความว่า ทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นมาจากบาลีว่านานุปิคายติพหุเทวาปลาอีกอย่างหนึ่งว่าทั้งส่วนที่น้อยก็ไม่ปรากฏเป็นมากแต่ถ้าแปลาตามอธิกถาจะได้ความอีกอย่างว่าทั้งกรรมที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏผลต่อไปกรรมที่มากเท่านั้น จึงจะปรากฏผลต่อไปดูก่อนในคามณีศา ส, สดาบางท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ที่ค่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ประพฤติแกเมสุมิชาจาร์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่พูดเท็จต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดสาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้นคิดว่าศาสดาของเรามีวาทะมีทิฏฐิว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดเขาจึงได้ทิฏฐิขึ้นมาว่าสัตว์ที่เราฆ่าไปแล้วก็มีเราก็ต้องไปอบายตกนรกด้วยเขาไม่ละวาจานั้นไม่เลิกความคิดนั้น ไม่สละทิฏฐินั้นเสียก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไวส่วนทถาคตอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติในโลกพระองค์ทรงตำนิตีเตียนปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารมุตสาวาตโดยอเนกปริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสเถิดจากปานาติบาตอธินนาทาน กาเมสุมิชาจารย์มุตสาวาทสาวกมีความเลื่อมใสในพระศาสดานั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนปานาติบาตจนถึงมุตสาวาตโดยอเนกป ร, ริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดเว้นเสเถิดจากปานาติบาตเป็นต้นนั้นก็สัตว์ที่เราฆ่าเสียแล้วมีมากถึงขนาดนั้ น, น, น การที่เราฆ่าสัตว์ไปเสียมากๆถึงขนาดนั้นๆไม่ดีไม่งามเลยเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนใจในเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัยแท้แล้วเราก็จักไม่ชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมชั่วเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปาณาติบาตนั้นเสียและเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาต่อไปด้วยเป็นอันว่า เขาละ ก, การชั่วนั้นได้ด้วยการกระทําอย่างนั้นเขาละปานาติบาสงดเว้นจากปานาติบาสละจนถึงละมุสาวาจปิสุนาวาจาพระุสวาจาสำผัสปลาปะอภิชาพยาบาดมิชาทิฏฐิและเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเขาผู้เป็นอริยสาวกมีใจปราศจากอภิชาคือความละโมบ ปราศจากพยาบาทความคิดเบียดเบียนไม่ลุ่มหลงมีสัมปะชัญญะมีสติมั่นอยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาปกแผ่ไปทิศหนึ่งทิศสองทิศสทิศสครบทวนทั้งสูงต่ำกว้างขวางทั่วทั้งโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูญยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไร้เวรไร้พยาบาทลาจนถึง เมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ทำห้มากอย่างนี้กรรมใดที่ทำไว้พอประมาณกรรมนั้นจกไม่เหลือจะไม่คงอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตินั้นกุทธพจน์ในข้อสามนี้นำมาแสดงไว้เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการให้ผลของกรรมให้มีการศึกษาโดยละเอียด เป็นการป้องกันไม่ให้ลงความเห็นตัดสินความหมายและเนื้อหาของหลักการง่ายเกินไปแต่ก็ยังเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถนำมารวมไว้ได้ทั้งหมดเพราะจะกินเนื้อที่มากไป